วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาใฝ่ธรรมใฝ่กุศลได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขที่สูงสุดแก่ชีวิตของตนประโยชน์สุขที่สูงสุดของชีวิตนี้เกิดจากการพัฒนาทางด้านจิตใจการพัฒนา ในชีวิตเหล่านี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือพัฒนาทางร่างกายและพัฒนาทางจิตใจการพัฒนาทางร่างกายเป็นการพัฒนาชั่วคราวไม่ถาวรไม่ยั่งยืนมีวันสิ้นสุดลง เมื่อร่างกายถึงแก่ความตายแต่การพัฒนาทางจิตใจเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะจิตใจไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจไม่มีวันตายดังนั้นผู้ฉลาดจึงมุ่งไปที่การพัฒนาทางจิตใจส่วนทางร่างกาย ก็ดูแลร่างกายไปตามอัตภาพไม่ให้เสื่อมไปเร็วกว่าเหตุที่จะที่จะเป็นไปดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัยสี่ให้พอเพียงให้ร่างกายพออยู่ได้เพื่อที่จะได้นำเอาร่างกายมาพัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นไปตามลาดับเพราะจิตใจที่ได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความเจริญมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับนั่นเองดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางร่างกาย เช่นการพัฒนาทางราบยศสารเสริญสุขกันไม่ต้องไปหาเงินให้ร่มให้รวยเป็นมหาเศรษฐีกันไม่ต้องไปหาตำแหน่งให้ใหญ่โตให้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีกันไม่ต้องไปแสวงหารางวัลต่างๆมาครอบครอง ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมาเสพเพราะความสุขความเจริญแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความเจริญชั่วคราวมีวันที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปได้บางครั้งก็อาจจะเสื่อมอาจจะหมดไปก่อนที่ร่างกายตายไปก็ได้เช่นเป็นเศรษฐีวันนี้ อาจจะเป็นคนบทเนื้อหมดตัวในวันพรุ่งนี้ก็ได้มีตำแหน่งสูงก็มีวันสิ้นสุดลงได้เมื่ออายุครบวรัยเกษียณหรือครบวาระของการเป็นเป็นประธานาธิบดีก็เป็นได้เพียงแปดปีเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้เพียงแปดปีเท่านั้น หลังจากนั้นก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปดังนั้นการพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านลาบยศสารเสริญสุขจะต้องนํามาถึงความสิ้นสุดความเสื่อมแล้วก็นํามาถึงความเศร้าเวลาที่เราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปสูญเสียลาบสูญเสียยศสูญเสีย สรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่ในทางด้านของการพัฒนาทางด้านจิตใจนี้เราจะไม่สูญเสียเลยถ้าเรารู้จักวิธีพัฒนาและรักษาการพัฒนาให้เป็นอย่างต่อเนื่องได้จิตใจข อ, ของเราจะมีแต่เจริญขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับ จนถึงระดับสูงสุดจนถึงระดับที่เราไม่ต้องทำการพัฒนาอีกต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายทางพุทธศาสนาตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบําเพ็ญได้ส่งปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่ทรงมีปัญญาทรงเห็นถึงความแม่เที่ยงแท้แน่นอน ของร่างกายเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็น้อมนําลึกกลับมาที่ร่างกายของพระองค์เองว่าสักวันหนึ่งร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วสิ่งที่ได้มีสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขต่างๆ ก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไปพระองจึงเปลี่ยนการเจริญการพัฒนาจากทางร่างกายไปสู่การเจริญการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการสละราชสมบัติออกบวช อ, ออกไปอยู่เป็นนัก บ, บวชถือศีล บำเพ็ญสติสมาธิและปัญญาเพื่อสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงให้แก่จิตใจเพราะจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตายไปเหมือนร่างกายจิตใจนี้ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตใจนี้เป็นเพียงธรรมชาติที่รู้ที่คิดผู้ที่ผลิต ความสุขและความทุกข์ภายในใจนี้ก็คือจิตใจนี้เองจิตใจถ้าได้รับข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องที่สอนให้จิตใจผลิตแต่ความสุขความเจริญจิตใจก็จะผลิตแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าจิตใจไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องจิตใจก็จะถูกหลอกให้ไป สร้างไปเจริญความสุขภายนอกใจความสุขความเจริญภายนอกใจคือความสุขความเจริญทางร่างกายทางลาบยศเสริญสุขแล้วก็ต้องสร้างแล้วก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปดังนั้นชาวพุทธเราี้ที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนา เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าศาสนานี้ไม่ได้สอนให้พัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญสุดแต่ให้พัฒนาทางด้านจิตใจนั้นถ้าคิดว่าเข้าหาศาสนาแล้วจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นจะทำให้มีตำแหน่งยิ่งสูงขึ้นจะมีผู้ให้รางวีรางวัลมากขึ้น จะมีความสุขจากการเสพลาบยอะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพัพชนิดต่างๆถ้ามีความคิดแบบนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็จะผิดหวังแล้วก็จะไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะเข้าใจถึงเป้าหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นคำสอนเพื่อพัฒนาจิตใจเราก็ต้องศึกษาศึกษาให้เข้าใจว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนไว้เพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ทางด้านราบยศสารเสริญสุขหรือประโยชน์ทางด้านจิตใจถ้าศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราต้องการ ประโยชน์ทางด้านจิตใจเราไม่หวังประโยชน์ทางด้านลาบยศสารเสริญสุขความจริงแล้วถ้าปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเพ่งคัดแล้วเราจะเห็นว่าเป็นการละความเจริญทางลาบยศสารเสวนสุขคือการยุติการหาความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขไม่ต้องการลาบยศสารเสริญสุข เป็นเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของชีวิตคือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ระดับของมนุษย์ขึ้นไปแล้วก็ยับยั้งหรือระงับการเสื่อมของจิตใจไม่ให้ตกต่ำไปกว่าระดับของมนุษย์จิตใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีการเจริญและมีการเสื่อมได้ และแต่ละขั้นของการเจริญและของความเสื่อมก็มีความสุขความทุกข์เป็นตัววัดถ้าเจริญขึ้นความสุขก็จะมีมากขึ้นถ้าเสื่อมลงความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นอันนี้เป็นตัววัดของความเจริญและของความเสื่อมทางด้านจิตใจและสิ่งที่จะทำให้จิตเจริญ ทำให้จิตเสื่อมนี้ก็คือกรรมนี่เองกรรมก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่เมื่อทําไปแล้วถ้าเป็นกรรมดีที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นถ้าเป็นการกระทําที่ไม่ดี ที่เรียกว่าบาปก็จะดึงจิตใจให้ลงต่ำลงทำให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นนี่แหละคือเรื่องของการพัฒนาจิตใจและการเสื่อมของจิตใจอยู่ที่การกระทำของจิตใจเองจิตใจเป็นผู้เริ่มการกระทำด้วยความคิดเมื่อคิดแล้วก็สั่งให้ไปที่ ทำทางร่างกายทางวาจาพอได้ทำทางร่างกายทางวาจาไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีผลก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเป็นการกระทำความดีจิตใจก็จะสูงขึ้นถ้าจิตใจถ้าการกระทำเป็นการกระทำชั่วเป็นการกระทำบาปจิตใจก็จะ เสื่อมลงจะตกลงต่ำอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มาควบคุมควบคุมบังคับความเจริญหรือความเสื่อมของจิตใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนกฎบัญญัติของกฎแห่งกรรมได้ การเชื่อหรือการรู้นี้กลับจะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้เราเลือกทางได้เลือกทางจะขึ้นสูงหรือจะลงต่ำได้แต่ถ้าไม่เชื่อไม่รู้ก็อาจจะไม่สามารถขึ้นไปทางสูงได้เพราะการขึ้นทางสูงนี้เป็นการกระทาที่ยากกว่าการลงต่ำ เหมือนกับการเดินขึ้นเขากับการลงเขาเวลาขึ้นเขานี่ต้องปีนปายต้องใช้กำลังใช้ความเพียรพยายามมากกว่าจะปีนขึ้นถึงยอดเขาได้แต่การลงต่ำจากยอดเขาลงมานี่เป็นการกรทาที่ง่ายแสนง่ายแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะแรงดึงดูดของโลกมันก็จะดึงให้ลงมาอยู่แล้ว ใจของสัตว์โลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นใจของสัตว์โลกนี้มีแรงดึงดูดให้คอยลงต่ำอยู่เรื่อยๆการที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจึงเป็นเหมือนกับการปีนภูเขาเป็นการยากต้องใช้ความพยายามมากถึงจะสามารถยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงได้ การจะการจะยกระดับให้ขึ้นสูงด้วยการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากกว่าการกระทาตามความแรงดึงดูดของของกิเลสตัณหาที่เป็นเหมือนกับแรงดึงดูดของโลกที่จะดึงให้ผู้ที่อยู่สูงนี้ลงต่ำได้ง่ายขึ้นสูงได้ยาก นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราเรื่องของการพัฒนาจิตใจว่าเกิดจากการกระทําของใจใจนี่แหละเป็นผู้เริ่มการกระทําทางกายและทางวาจาก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรทางกายได้ใจต้องเป็นผู้คิดก่อนเช่นวันนี้คิดจะมาทาบุญมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมใจต้องคิดก่อนเ่อคิดแล้วพอถึงเวลาที่สมควรก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาสั่งให้ร่างกายพูดทางวาจาเชื้อเชิญเพื่อนฝูงญาติเสด็จนิสหายให้ร่วมมาร่วมกัรทาบุญให้มาร่วมกันฟังธรรมมาเร่วมกันปฏิบัติธรรม ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของการทำร่างกายและวาจาเป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นผู้กระทำที่แท้จริงผลของการกระทำจริงไม่เกิดที่ร่างกายหรือที่วาจาแต่เกิดที่ใจคือความสุขความเจริญของใจหรือความทุกข์หรือความเสื่อมของใจ น, นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องพาะมีชาวพุทธมากที่ไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนแล้วคิดว่าการทำบุญการทำความดีจะนำผลทางด้านลาบยศสระศูนสุขมาให้แต่มันไม่เกิดทำดีแทบเป็นแทบตายก็ไม่โดยสักทีตำแหน่งก็ไม่ได้ขึ้นสักที ไมไ่ไม่ได้รับรางวี่รางวัลอะไรต่างๆไม่มีเงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายก็อาจจะทำให้รู้สึกความท้อแท้ไม่อยากจะทำบุญไม่อยากจะทำความดีเพราะเห็นคนที่ทำบาปคนชอวโกงคนหลอกลวงกับได้ดิบได้ดีกันกับร่ำรวยกันเป็นเศรษฐีกัน มีเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆกันก็จะทำให้เสื่อมศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อันนี้เพราะเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดที่คิดว่าการทำบุญทำทานจะทำให้ตนได้เจริญทางด้านลาภยศสารเสร่สุดนั่นเองอ ความจริงแล้วการทาบุญทาทานการทำตามคำสั่งคำสอนนี้จะทำให้ยากจนลงไม่ทำให้รวยขึ้นยิ่งปฏิบัติธรรมสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเป็นคนจนมากขึ้นเท่านั้นยิ่งอยากจะไม่รีทรั์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะจะเห็นว่าทรัพย์สมบัติเงินทองนี้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจว่าการวัดผลของการเจริญทางด้านจิตใจก็ดูที่ความเสื่อมของราบยศสารเสรินสุขนี่แหละถ้าเสื่อมในลาบยศสารเสริญสุขมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ายิ่งเจริญทางด้านจิตใจมากขึ้นเท่านั้นดูพระพุทธเจ้าจากการเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารมากลายเป็นคนขอทานไปอยู่เล่ล่อนในป่าในเขา อันนี้ทางด้านลาบยศสรเสริญสูงนี้ถือว่าตกต่ำเป็นคนเป็นคนไร้บ้านไร้ช่องเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ทางด้านจิตใจกับมีความสุขมีความเจริญมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความามีความสุขมี ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆนั่นแหละนี่แหละคือเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจซึ่งการพัฒนาทางด้านจิตใจนี้ก็เป็นไปเป็นขั้นๆขั้นแรกของการพัฒนาจิตใจก็คือต้องป้องกันไม่ให้จิตใจลงต่ำก่อน ต้องปิดประตูอบายอบายก็คือที่ที่อยู่ของจิตใจที่ตกต่ำกว่าระดับของมนุษย์นั้นต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนตอนนี้พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันจิตใจเราถือว่าอยู่ในระดับของมนุษย์เราต้องรักษาป้องกันไม่ให้จิตใจลงต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์เหตุ ท, ที่จะทำให้จิตใจลงต่ำก่าการเป็นมนุษย์ ให้ไปเกิดเป็นให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกนี้ก็คือเกิดจากการกระทำบาปห้าข้อนี่คือการทำผิดศีลศีลห้าการค่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีและการพูดปลดโกโหกหลอกลวงและการดื่มสุรายาเมา นี่เป็นการกระทาที่ไม่พึงกระทาเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่ต้องการให้จิตใจตกต่ำความจริงการกระทาที่ทำให้จิตใจตกต่ำจริ ง, รงๆนี้มีแค่สี่ใช่ไหมคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดการดื่มชรานี้ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทาบาปแต่เป็นการส่งเสริมการกระทาบาป ให้เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะเวลาดื่มสุรายาเมาไปแล้วจะเกิดความมึนเมาแล้วจะทำให้ไม่สามารถควบคุมจิตใจที่ฝ่ายต่ำที่ถูกกระแสะแรงดึงดูดของฝ่ายต่ำคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้จึงต้องเอามารวมไว้ในศีลห้าแต่ถ้าดื่มสุาราแล้ว นอนไปก็ถือว่าเป็นกินยานอนหลับไปเช่นก่อนจะนอนก็กินุลาแล้วก็มัดตัวเองไว้กับเตียงไม่ให้ลุกขึ้นไปไหนมาไหนไม่ไปทำความชั่วป้องอันนี้ก็จะดื่มสลาเพราะเพยงจะทำให้มึนเมาแต่ถ้าดื่มแล้วไม่มีอะไรคอยมัดมือมัดเท้าไว้เดี๋ยวต้องอาละาวาดพอเมาแล้ว พูดจาหยาบคายแล้วเริ่มพูดจาหาเรื่องคนนั้นหาเรื่องคนนี้เดี๋ยวเขาตอบโต้ด้วยก็เกิดปฏิกิริยาโกรธเคืองกันขึ้นมาก็าจะมีการทำร้ายร่างกายกันได้และอาจจะถึงแก่ความตายผิดศีลผิดธรรมได้พระพุทธเจ้าเลยต้องบัญญัติสุราและอบายามุกอย่างอื่นมาเสริมป้องกันการกระทาความบาปเพราะถ้าเรา เต็บอบายามุกแล้วมันจะทำให้เราทำบากง่ายขึ้นเพราะอบายามุกนี้มีแต่การเสื่อมเสียมีแต่การสูญเสียทรัพยากรทางด้านเงินทองและทางด้านจิตใจถึจชราแล้วก็ไม่มีสติควบคุมอารมณ์ไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังเสียเงินเสียทองถ้าใช้ดื่มมากๆเงินทองต่อไปก็ จ, จะไม่พอใช้ ก็อาจจะต้องไปรักขโมยเงินทองเพื่อมาซื้อสุรามาดื่มต่ อ, อก็จะไปทําบาปได้ดังนั้นนอกจากการไม่ทําบาปห้าข้อสี่ข้อนี้แล้วยังต้องไม่ทําอบายามุขด้วยต้องไม่เสพอบายามุขซึ่งมีอยู่ห้าข้อเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการเกียด้าน และการคบคนชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะถเราไปคบกับคนที่เขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเราคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเราคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตรเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตรถ้าเราคบกับคนที่ชอบความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้าน ดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการกระทําเหล่านี้เพราะอาบายามุขนี้มีแต่การสูญเสียทรัพยากรทางเงินทองเมื่อเงินทองไม่มีเข้ามีแต่ออกเดี๋ยวก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องหาวิธีช่อโกงกันข่าวข่าวที่เราได้ยินได้ฟังไปปล้นเงินไปปล้นร้านทองมาเมื่อไม่กี่วันนี้จับได้ก็ถามว่าปล้นทําไม เป็นหนี้การพนันครับต้องใช้หนี้การพนันเพราะไม่ใช้เดี๋ยวโดนเขาลงโทษโดนเขาทำร้ายร่างกายก็เลยต้องไปป้นธนาคารบ้นแล้วก็ไปถูกเขาจับจับแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางอันนี้โทษในโลกนี้แต่โทษทางด้านจิตใจมันมียังไม่หมดตายไปนั้นโทษทางด้านจิตใจมันถึงจะปรากฏเต็มรูปแบบ ตอนนี้โทษมันทางด้านจิตใจก็คือทำให้จิตใจเลื่อนลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างแล้วแต่เหตุที่เราทำบาปด้วยเหตุผลอันใดท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นบาปมีโทษก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะคิดว่าเป็นการรักษาชีวิตของตนเอง เช่นเราทำบาปเพราะเราไม่มีข้าวกินกเราก็เลยไปขโมยข้าวเขามากินเราคิดว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราต้องทำหรือเราไปยิงนกตกปลาเอามาทำเป็นอาหารอะอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบาลด้วยไม่รู้ว่าเป็นบาปว่ามีโทษตามมาจิตใจของพวกนี้ก็เป็นพวกเดรัจฉานนี่เองเพราะพวกเดรัจฉานเขาก็ทำแบบนี้ เดรัจฉานเขาไม่รู้ว่าเขาทำบาปเวลาที่เขาไปกัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อปาทางชีวิตของเขาเขาก็เลยต้องต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานนั้นมนุษย์ที่ทำบาปด้วยความไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าทำบาปนี้จะถ้าทำบาเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการกระทําแบบสัตว์เดราาัจฉานเมื่อตายไปจิตก็จะต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉาน มีเรียกว่าเคาอบายมีอยู่สี่ที่ด้วยกันเพราะมีสี่สาเหตุที่ทำให้ไปเกิดต่างลักษณะกันถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆทั้งๆที่พอมีพอกินแล้วแต่ไม่พอใจยังหิวยังอยากล่ำอยากรวยอยูอ่ก็หาวิธีรายได้เพิ่มด้วยการชอ่อกองด้วยลักษณะต่างๆแล้วแต่โอกาสที่จะมี มาให้ทำมีโอกาสโกงได้ก็โกงมีโอกาสขโมยได้ก็ขโมยมีโอกาสป้นได้จี้ได้ก็อยป้น<ม>เพื่อจะได้มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นให้ร่ำรวยขึ้น<ม>เพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อข้าวของต่างๆมาใช้มาเสพมากขึ้น <c oughs> อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นการทำบาปด้วยความโลภ<ม>จิตใจที่ทำบาปด้วยความโลภนี้ จะกลายเป็นเดรัจจะกลายเป็นเปรตจะเป็นจิตใจที่มีแต่ความโลภความหิวโหยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเวลาได้มาใหม่ๆก็รู้สึกดีใจเดี๋ยวเแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดความหิวความโลภอยากได้เพิ่มขึ้นอีกอยู่เรื่อยๆได้คือก็อยากได้ซอกอยากอกก็อยากได้วา แล้วก็ไปหามาโดยวิธีการทําบาปช่อโกนช่อโกงโกหกหลอกลวงรักทรัพย์เป็นต้นการกระทําเหล่านี้ก็จะทําให้จิตใจเป็นเปรตไปส่วนการกระทําบาปแบบที่สามทำด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทําร้ายเราเราเลยไปทําร้ายเขาก่อนเพื่อป้องกันตัวเราเช่นเห็นงูเลื้อยมาปับ๊บเตะมันเลยฆ่ามันเลย ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้คิดจะมากัดเราสัาหน่อยมันหลงทางเข้ามาสัตว์ส่วนใยญ่มันก็ไปหากินของมันตามภาษาของมันที่ไหนมันคิดว่าพอมีอาหารนี่มันกินได้มันก็ไปแต่เราด้วยความกลัวลว่าเขาจะมาทําร้ายเราทําร้ายลูกหลานเราทําร้ายคนในบ้านเราพอเรามีโอกาสทําร้ายเขาได้ก่อนก็ทําไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าทำทำบาปด้วยความกลัว ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายหรือเป็นผีที่มีแต่ความหวาดกลัวผีที่กลัวนู่นกลัวนี่มีแต่ความหวาดวิตกกังวลตลอดเวลาหาความสงบหาความสบายใจไม่ได้นี่คือการกระทำบาปชนิดที่สามทำด้วยความกลัวชนิดที่สี่คือการทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมโกรธเกลีย응์เวลาใครทำอะไรให้เราเสียใจเรามักจะแค้นอยากจะล้างแค้นอยากจะอาฆาตพยาบาทเนี응่ยใจอันนี้จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนไฟนรกขึ้นมายิ่งถ้าไปอาฆาตยิ่งไปล้างแค้นได้แล้วยิ่งทำให้ใจร้อนใหญ่응พอไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเพื่อให้เรามีความสุขใจ응แต่มันเป็นความสุขใจ ช่วขณะท่านเองหลังจากนั้นก็จะมีความวิตกมีความหวาดกลัวตามมาเพราะเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วเราก็รู้ว่าต้องมีคู่เขาจะต้องกลับมาล้างแค้นเราต่อไปเพราะเราไปทำร้ายคนที่เขารักคนที่เขาเสียคนที่รักไปเขาก็ต้องตามล้างแค้นเราหรือตามถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตามหลว i ก็ตามจับเราเข้าคุกเข้าตารางจับไปลงโทษใจก็จะไม่มีความสุข ใจก็จะมีแต่ความวิตกฝวาดกลัวกังวล <c oughs> กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เรียกว่านรกใจที่ทำบาปด้วยความแค้นจะเป็นใจที่ร้อนระอุด้วยไฟแห่งของนรกนี่คือลักษณะของดวงวิญญาณสี่ลักษณะที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจที่ไปทำบาปจะทำให้จิตใจลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ มนุษย์นี้เป็นจิตใจครึ่งๆร่งกลางๆมีสุขมีทุกข์ผสมกันไปอย่างละครึ่งบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์แต่ถ้าลงต่ำกว่ามนุษย์แล้วสุขนี้จะมีน้อยลงไปแล้วก็จะมีความทุกข์มากขึ้นทุกข์ของเดรัจฉานจะมากกว่าทุกข์ของมนุษย์ทุกข์ของเปรตก็จะมากกว่าของเดรัจฉานทุกข์ของอสุรกายก็จะมากกว่าทุกข์ของเปรต แล้วทุกข์ของนรกก็จะมากกว่าทุกข์ของอสุรกายทุกข์ของนรกนี้แทบจะไม่มีความสุขเหลืออยู่เลยมีแต่ความทุกข์ล้นลวนเพราะฉะนั้นระวังอย่าไปทำบาปขั้นขั้นขั้นนรกนรกนี้มีขั้นหนักที่สุดก็มีอยู่ห้าข้อที่เรียกว่าอนันตริยกรรม การกระทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดที่จะส่งให้จิตได้ตกนรกที่ขุมลึกที่สุดก็คือ 1. การฆ่าพ่อสองการฆ่าแม่ 3. การฆ่าพระอรหันต์ 4. การให้การกระทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและหการทำให้สงเกิดความแตกแยกขึ้นมานี่เป็นการกระทำที่ร้ายแรงที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง พยายามเตือนใจสอนใจว่าอย่าทาวิธีป้องกันไม่ให้เราทำก็คือต้องพยายามลํำลึกถึงพ่อคุณของบุคคลเหล่านี้เช่นลําลึกถึงพ่อคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆทุกวันทุกคืนเวลาเราอยู่ใกล้พ่อแม่เราจะได้รักพ่อรักแม่แล้วเวลาพ่อแม่พูดอะไรหรือทำอะไรที่เราไม่พอใจเราก็จะไม่ถือโทษกอดเคืองได้ เพราะความรักเพราะความเห็นพระคุณของท่านที่มีกับเราแต่ถ้าเราไม่พยายามหมั่นระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่เราอาจจะเผลอลืมไปก็ได้อาจจะคิดว่าท่านเป็นเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าเราลืมไปเราลืมคิดว่านี่พ่อนี่แม่เรานี่เป็นคนที่ให้กำเนิดเรานี่เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามา ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เนี่ยนั้นเราต้องมีความกตัญญูต้องพยายามหม่นระ ล, ลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆทำเนียมชาวพูดแล้วนิสอนให้กราบพ่อแม่ทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ให้กราบตื่นขึ้นมาให้กราบให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ นอกจากเราเลึกถึง พ, ง พ, พ, พ, พ, งพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้เลิกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราถ้าพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากพระพุทธเจ้ายิ่งมีพระคุณมากกับพ่อแม่อกีกเพราะพ่อแม่นี้ก็เพียงแต่ให้กําเนิดทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าจะทําให้เรากําเนิดทางด้านจิตใจให้จิตใจเราได้กลายเป็นพระอารหันต์ให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจาก ทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เท่ากับพระพุทธเจ้าพ่อแม่ก็ทําได้เพียงแต่ให้ร่างกายเราอยู่ไปพบหนึ่งชาติหนึ่งอาจแค่ร้อยปีแต่พระพุทธเจ้านี้ทําให้เราได้หลุดพน้นให้ได้ไปอยู่ในนิพพานตลอดอนันตการได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันบุญไปตลอด อันนี้แหละเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาพระคุณทั้งหลายคือพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระอาหารหันตสาวกเนี่ยนั้นการฆ่าพระอาหารหันต์ก็เท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่การฆ่าเการกระทําเพียงแต่ทําให้ห่อเลือดเท่านั้นก็ถือว่าบาปเท่ากับการฆ่าพระอาหารหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วและการทําให้สงแตกแยกก็เป็นการทําลายาศาสนา การทำลายศาสนานี้เสื่อมสลายหมดไปเพราะศาสนานี้ก็เป็นที่พึ่งของชาวพุทธเราของสันโลกศาสนานมีไว้เพื่อสั่งเพื่อสอนให้เรารู้จักกฎแห่งกรรมให้รู้จักการพัฒนาจิตใจเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้ดูดออกจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าไปทำลายศาสนานแล้วต่อไปก็จะไม่มีใครมาสอนมาบอกเรา โลกก็จะเป็นโลกที่มืดด้วยโมหะาอาวิชชาจะเป็นโลกที่ถูกวิเลตนหาครอบงำจิตใจจะไม่มีใครสนใจในการทำบุญทาทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมจะเอาแต่การหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะนำพาไปสู่การแก่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกัน จะกลายเป็นสังคมของสัตว์เดรัจฉานไปสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยใครมีกาลังมากกว่าก็ก็ไปเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าแต่ถ้ามีาศาสนามีการสั่งสอนให้รู้ว่าการเบียดเบียนการนี้เป็นการทมบาปเป็นการการทมที่จะมีผลเสียต่อจิตใจอย่าทำให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขดีกว่า ด้วยการมีความเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความการุณาช่วยเหลือกันเวลาที่ใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอก็ช่วยเหลือกันเวลาเราอยากได้อะไรก็อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากความต้องการของเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้สังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข นี่คือประโยชน์ของการมีศาสนาหรือการมีพระสงฆ์นี่ถึงไม่ควรที่จะไปทําให้สงฆ์เกิดความแตกแยกกันซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ญาติโยมคงทําไม่ได้หรอกต้องเป็นพระระดับสูงระดับอย่างพระเทวทัพนี่เป็นตัวอย่างพระเทวทัพนี่เป็นตัวยุยงให้สงฆ์แยกออกไม่ให้เขาลพไม่ให้เชื่อฟังในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้มาเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของตนเองเพราะคิดว่าตนเองฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าผลก็คือเวลาตายไปเทวทัตนี่ทำบาปสองข้อใหญ่คือทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดสองทำให้สงแตกแยกตายไปก็เลยต้องไปไปอยู่ในนรกแต่เนื่องจากว่า เคยได้ทำบุญมาก่อนเคยได้บวชมาเป็นเวลายาวนานหลังจากที่พ้นจากนรกออกมาแล้ว mm hmm. ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญและในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นพระปเจกพุทธเจ้าต่อไป mm hmm. เรื่องของบุญก็ไม่หายไปไหนเรื่องของบาปก็ไม่หายไปไหนเพียง mm hmm. แต่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่า mm hmm. ก็ต้องไปใช้อันนั้นก่อนถ้าบาปมีกาลังมากกว่าก็ต้องไปใช้บาปก่อน แต่บุญที่เราได้ทำอาไวน้นี้มันไม่หมดมันไม่หายไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลพอบาปที่มันมีมากกว่ามันหมดลงพอบุญมีมากกว่าบุญมันก็จะเริ่มแสดงผลต่อไปได้ฉะนั้นเราอย่า ท, ท้อแท้ทำบุญไปเรื่อยๆนะถึงแม้เราอาจจะพลาดครั้งเผลิงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ยับยั้งไม่ได้ไปทาให้เราไปทาบาปขึ้นมา ก็ต้องยินดีรับใช้บาทไปแล้วก็พยายามเอาบทเรียนมาสอนใจว่าต่อไปอย่าทำพยายามทำแต่ความดีทำบุญมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แก่จิตใจ อ, อย่างเบื้องต้นนี้เราต้องรักษาระดับของความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก่อนอย่าให้มันลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ด้วยการรักษาศีลห้าและการละเว้นจากการเสพอาบายามุกต่างๆ การเล่นการพ น, นันอย่าไปเล่นถ้าจะเล่นเป็นแบบเป็นอาชีพหวังว่าจะเอาการเล่นการพ น, นันเป็นการเลี้ยงชีพนี่แต่ถ้าเล่นกันนานแบบแบบสนุกสนานนานๆครั้งระหว่างเพื่อนฝูงพอเอาเงินไปซื้อข้าวสักมือ้อนึงมาเลี้ยงกันกินอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการเสพบยายมุกหรือนานๆซื้อตลิซักใบหนึ่งสองใบ <laughs> เพื่อเพื่อมีบุญมีโชค มันไม่มีทางออกจะได้เปิดทางให้มันมาได้ถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเสพบายามุกเนี่ยแต่ถ้าหวังว่าเป็นที่พึ่งว่าจะต้องเล่นต้องแทงหวยต้องถูกจะได้มีเงินมีทางมาใช้จะได้ไม่ต้องไปทำงานทำการเลี้ยงชีพถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเสพบายามุกไม่ควรกระทำแต่ถ้าเรามีงานทำของเราเป็นปกติแล้วทำงานของเราอยู่ แต่เราก็อยากจะเสี่ยงโชคอยากจะวัดดวงของเราดูว่าเรามีบุญมากบุญน้อยเท่าไหร่เราก็เราถทงหวใหยใ บ, ยบยสองใบก็ได้ <Yeah. S 2> ถ้าถูกเราจะรู้ว่าโอ้เรายังมีบุญอยู่นะ <Yeah. S 2> ถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าบุญน้อยต้องรีบทําบุญกันให้มากญยาโยบางคนชอบมาทําบุญเรื่อยๆแล้วก็มาวัดดวงกันเอาถักวขวยก็เตะมาทาบุญกันใหญ่ทาบุญอยู่เรื่อยๆ อันนี้ก็แล้วแต่นนแต่ขออย่าให้มันเป็นเรื่องของอาชีพก็แล้วกันอย่าใช้อบายามุกเป็นอาชีพในการดำรงชีพนะเพราะว่ามันจะทำทำไม่ไดไ้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะพาให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมต่อไปฉั้นพยายามหลีกเลี่ยงการเสพ บ, บายามุกแล้วก็อย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่ากโกหกหลอกลวง แล้วเราก็จะป้องกันความเสื่อมของจิตใจของเราที่ตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์ไม่ให้ลงต่ำไปกว่านี้ได้พอเราป้องกันได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องดึงให้มันขึ้นสูงขึ้นการกระทำที่จะดึงจิตใจให้สูงขึ้นนี้เรียกว่า บ, บุญการทำบุญทำทาน <c oughs> การแบ่งปันการแบ่งประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่น เรามีประโยชน์สุขในรูปแบบไหนแล้วก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นที่เขาไม่มีได้ถ้าเรามีประโยชน์สุขจากเงินทองที่เราสามารถแบ่งให้กับผู้อื่นได้ก็แบ่งให้เขาบ้าง ถ้ามีประโยชนสุขจากการมีความรู้ก็ mm. เอาความรู้ไปแบ่งให้ผู้อื่นได้สอนวิชาต่างๆให้เขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะได้นำมาวิชาที่เขาไม่รู้นี้ไปใชในการหาเงินหาทองหาประโยชน์สุขให้แก่ตัวเขาก็ได้เหตุนี้การทาบุญนี้จึงมีหลายรูปแบบด้วยกันทำได้หลายลักษณะด้วยกันทำบุญเพื่อการตอบแทนบุญคุณก็ได้ เรามีคนที่เขามีพระคุณกับเราเราควรที่จะตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณถ้าเรามีโอกาสมีกำลังที่เราจะทำได้เ <c oughs> ช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เลี้ยงดูเราให้ความรู้กับเราเราพอเรามีฐานะดีขึ้นพอที่จะแบ่งให้เขาได้บ้างให้ชีวิตเขาดีขึ้นก็ควรที่จะทำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญ การทำบุญไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำที่วัดเพียงอย่างเดียวริงอยู่การทำกับวัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะวัดนี้เป็นที่อยู่ของศาสนาเป็นที่พึ่งของพวกเราที่เราจำเป็นจะต้องมีศาสนาคอยสั่งคอยสอนคอยบอกการดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องถ้าศาสนาเดือดร้อนขาดแคลนเราก็ต้องไปช่วยศาสนาก่อน ก่อนที่เราจะไปช่วยผู้อื่นเราก็ต้องช่วยาศาสนาก่อนถ้าเกิดวัดขาดแคลนอะไรขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็ไปช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารก็ช่วยกันใส่บาทราบุญถวายอาหารขาดแคลนเรื่องเครื่องนุ่มห่มจีวรก็ถวายผ้ากันไปสำหรับศาสาศนาความจริงนี้ต้องการเพียงปัจจัยสี่เท่นั้นคือ คืออาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยกุติแล้วก็ยารักษาโรคท่านั้นเองส่วนของอย่างอื่นนี้ถือว่าเป็นของเสริมมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นศาลาศาลาโบสถ์เจดีย์อะไรต่างๆเหล่านี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ต้องกังวลถ้าวัดไม่มีโบสถ์จะถือว่าไม่เป็นวัดไม่ใชนะ่เพราะโบสถ์นี้เป็นที่ทากิจกรรมของสงฆ์ ในสมัยพุทธกาลนี้การทํากิจกรรมสองสงนี้ทําที่ตรงไหนก็ได้เพียงแต่ให้สงสมมุติตั้งขึ้นมาว่าตรงนี้เป็นที่ทํากิจกรรมของสง์ก็เรียกว่าเป็นโบสถ์ได้แล้วสมัยก่อนไม่ได้มีโบสถในการที่จะบวชพระกันเพียงแต่สงมากําหนดที่ไว้ว่าบริเวณนี้เป็นที่ที่ทําการบวชก็ถือว่าเป็นเป็นโบสถ์ขึ้นมาได้แล้ว การที่จะมีบทหรือไม่นี้ไม่จําเป็นการที่จะมีเจดีย์หรือไม่นี้ไม่จําเป็ น, ก า, น, ปน nehme. การที่จะมีพระพุทธรูปหรือไม่นี้ก็ไม่จําเป็น nehme. สมัยพระพุทธกาลนี้ไม่มีการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านี้ไม่ให้สร้างพระพุทธรูปนพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธรูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่พระพุทธรูปน เราเป็นพระธรรมคำสอนทาวินัยที่เราสั่งเราสอนพวกเธอนี่แหละเป็นเราถ้าเราถ้าเธออยากจะเห็นเราให้เห็นพระธรรมคำสั่งคำสอนของเรา นี่คือเรื่องของการทำบุญกับวัดงั้นไม่ต้องจาไม่ต้องกังวลถ้าเกิดใครเขามาเรอยลายให้สร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปทองคำอะไรต่างๆอันนี้ถ้าอยากจะสร้างก็สร้างได้ไม่ห้ามอยากจะร่วมบุญก็ร่วมได้แต่มันเป็นของเสริมบารมีเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของศาสนาส่วนที่ประกอบสาคัญของศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันและการที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆก็ต้องมีผู้มาบวชมาบวชเป็นพระแล้วก็มาศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วเราก็ยังจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราไปส่วนโบดเจดีวัดวาลาลามถ้าจะเสื่อมถ้ามีสงฆามมีผู้ที่เขาไม่ เขาไม่ศรัทธาในศาสนาต้องการที่จะทำลายโบสถ์ทำลายเจดีย์เขาก็ทำลายได้แต่การที่จะมาทำลายพระอาหารหันต์นี่ทำลายยากเพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์กันมีพระเยอแ ย, ยะไปนั้นไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องถาวรละวัตถุมากจนเกินไปความเจริญของศาสนาไม่ได้วัดที่การเจริญของถาวและวัตถุแต่วัดที่การเจริญของพระอาหารหันต์ ว่ามีพระอรหันต์มากน้อยเพียงไรถ้ามีพระอรหันต์มากแสดงว่าศาสนาเจริญมากยุคที่เจริญที่สุดก็คือยุคของพระพุทธเจ้านี่เองยุคของพระพุทธเจ้านี่มีพระสาวกพระอรหันต์นี่เป็นจานวนมากมายแต่สมัยนี้มีน้อยมากแต่เรากลับไปเอาความเจริญทางถาวรและวัตถุ ก, กันสมัยนี้เรามีวัดวาลามากมาย มีถาวรและวัตถุต่างๆมีพระพุทธรูปทองคํามีอะไรต่างๆแต่เห็นไหมสร้างมาไม่กี่ร้อยปีก็ต้องพังลงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็พระเจดีย์ที่เชียงใหม่ก็ล้มพังลงมาเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของอันิจังเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาเพียงอย่างไรเป็นเพียงแต่ถาวรและวัตถุให้เราลําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง แต่ไม่สามารถผลิตพระรหัสขึ้นมาได้ผู้ที่จะสามารถผลิตพระรหัสขึ้นมาได้ก็คือผู้ที่มาบวชนี่แหละผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราต้องสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนับสนุนพระที่เป็นสุปฏิปันโนเพราะท่านนี่แหละจะเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพาาระอรหันต์แล้วจะเป็นผู้ที่จะนำเอาคำสั่งคำสอนนั้นประเสริฐมาเผยแพ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราแต่ถ้าท่านอยู่ดีกินดีแล้วมีเหลือเฟือแล้วเราจะแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ ยังมีคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากมากมายช่วยเหลือเขาได้หรือจะช่วยเหลือผ่านพระก็ได้ถวายท่านไปท่านก็จะมีความเมตตาไปสงฆ์ตามตามแต่ความเหมาะสมตามต่ความสมควรต่อไปครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็สร้างโรงพยาบาลบางรูปก็สงเฆ์คนยากจนด้วยวิธีการต่างๆ น, นก็ทำได้ทำบุญในหลายรูปแบบได้หรืออยากจะทำด้ว ย, วยตนวเองก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลเลยก็ได้ทำกับโรงเรียนเลยก็ได้ทำกับอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างน่มเยินเป็นสุขก็ทำทาได้นี่คือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสู่ระดับที่เหนือกว่ามนุษย์ระดับที่เหนือกว่ามนุษย์ก็คือระดับของเทพ เทพเทพนี้ก็มีหกชั้นด้วยกันการที่มีชั้นต่างกันก็เพราะว่ามีการทำบุญมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองคนทำน้อยก็อยู่ชั้นต่ำคนทำมากก็อยู่ชั้นสูงเหมือนกับการขึ้นเครื่องเขาก็มีแบ่งชั้นไว้สามชั้นใช่ไหมชั้นธรรมดาชั้นกลางแล้วก็ชั้นหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ต่างกัน ชันธรรมดาก็ถูกหน่อยแต่นั่งเบียดกันเป็นบบปลากระป๋องแต่ถ้าชั้นหนึ่งก็มีห้องพิเศษนอนนั่งนอนอยู่คนเดียวได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็ต้องเสียเงินมากหน่อยเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทาน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำนะถ้าได้มากทามากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูง จึงมีปรากฏเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆถึงหกชั้นด้วยกันอันนี้ก็เราเลือกทําได้ไม่มีใครครวบคุมมัง้งไม่มีใครห้ามเราเราจะเอาเงินมาซื้อสวรรค์หรือจะเอาเงินซื้อซื้อความสุขในโลกนี้ชั่วคราวก็เลือกเลือกเอาความสุขในโลกนี้เดี๋ยวพอตายไปก็หมดไปเอาติดตัวไม่ได้แต่ถ้าเราไปซื้อสวรรค์ติดตัวไปเราก็มีสวรรค์รอรับเราอยู่ชั้นต่างๆ เนไหมครถ้าเรายังอยากได้ทั้งพี่ทั้งน้องก็แบ่งไม้คนละครึ่งซื้อความสุขทางโลกสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อความสุขทางใจอีกครึ่งหนึ่งด้วยการทําบุญทําทานด้วยวิธีการต่างๆไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณเงินเพราะเป็นปริมาณเงินนี้มาเปรียบเทียบของแต่ละคนไม่ได้คนทําบุญพันหนึ่งสองคนนี้อาจจะได้บุญไม่เท่ากันก็ได้ขึ้น อ, อยู่กับว่ามีมากมีน้อย เช่นสมมุติว่ามีล้านหนึ่งแล้วทำทำแสนหนึ่งก็จะได้ร้อยละสิบบุญน้อยละสิบแต่ถ้ามีหมื่นหนึ่งแล้วทําแสนหนึ่งไม่ได้เนี่ยเราทำหมื่นนึงถ้าทํำหมื่นหนึ่งแล้วทำน ห, นทำห้าพันนี 5, น้นี่ทําน้อยละห้าสิบคนทําบุญห้าพันกลับได้บุญมากกว่าคนที่ทําบุญแสนหนึ่ง เพราะว่าเงินที่เขาเสียสละไปนั้นัดส่วนมันมากกว่าัด ส, ส่วนของคนที่มีเงินล้านหนึ่งคนงานทําบุญล้านหนึ่งจ่ายไปแสนหนึ่งยังเหลือเก้าแสนแต่คนนี้หมื่นหนึ่งจ่ายไปห้าพันนี้เหลือแค่หนะ้าพันเพราะฉะนั้นคนจนนี้จะทําบุญแล้วจะได้เงินได้บุญมากกว่าคนรวยถ้าถ้า ถ, ถ้านับปริมาณเงินที่ใช้ไปเนี่ย เพราะฉะนั้นเป็นคนจนอย่าไปน้อยใจว่าฉันเป็นคนจนฉันจะทำบุญชั้นสูงสูงได้ยังไงได้ทุกคนดูที่สัดส่วนดูที่ปริมาณของการเสียสละของทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่าไปมองจำนวนเงินคนมีมากก็ต้องทำมากถึงจะได้สัดส่วนที่สูงคนที่มีน้อยก็ทำน้อยก็ได้สัดส่วนที่สัด ส, ส่วนที่สูงได้ง่ายกว่าขอให้เรา ทำเถิดนะมิทำไปตามกำลังของเราทำตามศรัทธาถ้าเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องสวรรค์เรื่องอนาคตที่จะดีกว่าเราก็า จ, จะยินดียอมอดทนอยู่แบบทุกข์ยากลำบากในชาตินี้แต่พอเพื่อตายไปเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสูงก็เราสามารถเลือกได้ของเหล่านี้ไม่มีใครบังคับกัน ท่านถึงบอกว่าทำบุญด้วยกำลังศรัท ธ, ธาความเชื่อของแต่ละคนคนบางคนเชื่อเรื่องบุญมากไม่ยอมเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเลยได้เงินมาเท่าไหร่ทำบุญได้ก็ทำทำในชนิดที่ชอบแบบที่ชอบชอบสร้างโบสถ์ก็ทำไปชอบสร้างเจดีย์ก็ทำไปชอบปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำไปทำได้ทั้งนั้นถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการยกระดับให้สูงขึ้น จากการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทพเนีแล้วสูงจากเทพก็มีระดับเรียกว่าพรหมการที่จะไปสู่ระดับพรหมได้นี้จาเป็นที่จะต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีล8ปดเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของการหาความสุขศีลห้า น, นี่อนุญาตแล้เราหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดได้แต่ถ้าเราอยากจะหาความสุขระดับ สูงกว่าคือระดับของพรหมคือระดับจากการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้ได้รูปประชานะรูปประชานอันนี้จำเป็นต้องยุติการหาความสุขในระดับทางตาหูจมูกลิ้นกายการจะหยุดได้ก็ต้องถือศีลแปด สินแปดจะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้เรารับประทานอาหารมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่ให้หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงร้องลําทำเพลงหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป เพื่อที่จะได้มีเอาเวลาเหล่านี้มาเจริญสตินั่งสมาธิกันเพราะถ้าเรามีเวลาเจริญสติเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้เข้าสู่รูปฌานเอารูปฌปานได้เราก็จะได้รับความสุขของระดับพรหมซึ่งเป็นความสุขที่สูงที่สุดในของไตรภพนี้คือระดับความสุขของผมพรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส แต่ยังเป็นความสุขระดับชั่วคราวอยู่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ถาวรที่เหนือกว่าความสุขของระดับของพรหมคือเรียกว่าความสุขของระดับพระอริยบุคคลของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีพระอรหรันเราต้องพัฒนาต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงที่สุดต่อไปหลังจากได้สมาธิได้รูปประชานรูปประชานแล้ว เราต้องมาเจริญปัญญามาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ให้เราไปยินดีกับการเป็นมนุษย์ให้ยินดีกับการเป็นเทพเป็นพรหมเพราะถ้ายินดีก็จะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบต่อไปหาให้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมใหม่อยู่เรื่อยๆ แล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดความยินดีในการเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมไปเมื่อเราตัดได้เราก็จะได้ไปเป็นพระอารหันต์ได้ไปอยู่ในนิพพานที่ไม่ไม่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ที่เป็นระดับความสุขที่สูงสุดที่จิตใจของทุกคนสามารถพัฒนาให้ให้ขึ้นไปถึงจุดนั้นได้เพราะมีมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าและผ้าหลานตระสาวงทั้งหลายได้พัฒนาจิตใจของท่านให้ไปถึงจุดนั้นแล้วท่านเป็นตัวอย่างให้เรายืนยันให้กับพวกเราว่า การปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไม่ไร้ผลแต่อย่างใดงไม่เป็นโมฆะปฏิบัติแล้วจะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าละท่าหลานตสาวกได้รับมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนสามระดับด้วยกัน คือหนึ่การกระทําบาปทั้งปวงเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้ตกต่ํากว่าการเป็นมนุษย์ 2. ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพ 3. ให้ชําระจิตใจให้สะอาดด้วยการฝึกสมาธิก็จะยกระดับของจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของพรหมแล้วก็สให้เราเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ ในตายภพวะตายพบนี้เป็นภพถึงแม้ว่าจะเป็นภพที่มีความสุขเช่นภพของมนุษย์ของเทพของพรหมก็อย่าไปยินดีเพราะมันมีความเสื่อมมันจเจริญแล้วมันจะเสื่อมลงมาได้ถ้าไม่อยากจะให้เสื่อมลงมะไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพเหล่านี้ต่อไปก็ต้องยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับระดับของพระอริยบุคคลด้วยการจเจริญปัญญาละสังโยชน ที่เป็นเครื่องมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าละสัโยชน์ทั้งหมดได้แล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นจากการมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอย่างถาวถไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะอยู่ที่ที่เราเรียกว่าพระนิพพานนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถกระทำกันได้ไม่จำกัดเพศจำกัดวัย เป็นหญิงเป็นชายก็ทำได้เป็นนักบวชเป็นคารวา์ผู้ครองเรือนก็ทำได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ทำได้เพียงแต่ว่าขอให้มีความเชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีความเพียรพยายามทำไปตามกาลังของเราพยายามทำไปตามขั้นของเราอย่าไปโลภมากพอเริ่มทำปั๊บก็อยากจะให้ไปถึงนิพพานเลยนี่มันจะท้อได้เพราะมันจะเป็นไปไม่ได้ เริ่มทำตั้งแต่รักษาศีลให้ได้ก่อนละอบายามุขให้ได้ก่อนแล้วขยับไปทำบุญทาทานไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้เขามีความสุขแล้วก็ไปปลีกวิเวกไปถือศีลแปดไปอยู่คนเดียวไปฝึกสมาธิทําจิตใจให้สงบให้เข้าฌานให้มีจิตใจเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนพอได้อุเบกขาแล้วค่อยมาเจริญปัญญาพิจารณา สิ่งที่ใจไปยึดไปติดว่าเป็นไตรลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจก็จะตัดจร ะ, ะสิ่งที่ไปยึดไปติดได้แล้วต่อไปใจก็จะหลุดพ้นเมื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นขอให้เราปฏิบัติกันแล้วกันมีศรัท ธ, ธาแล้วเพียงพยายามปฏิบัติแต่อย่ารีบร้อนอย่าอย่าโลภ รีบปฏิบัติได้แต่อย่าไปรีบร้อนให้ได้ผลเพราะผลมันจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติถูกต้องและปฏิบัติมากก็จะเกิดผลเร็วถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติน้อยก็จะเกิดผลชาหรือไม่เกิดเลยก็ได้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่เราต้องพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าเรากําลังไม่ไปในทิศทางที่ถูกถ้าสงสัยอะไรก็ถามผู้รู้ได้เพื่อความมั่นเพื่อความปลอดภัย แต่พวกเราทุกคนสามารถไปได้ด้วยทุกคนขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อและมีความเพียรพยายามและก็ขอให้ใจเย็นๆเพราะถ้าใจร้อนพอไม่ได้ผลก็จะท้อขึ้นมาแล้วก็ไม่ปฏิบัติหรือาเลิกปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลไม่รู้ปฏิบัติไปทำไมอย่าปล่อยให้มันคิดแบบนี้เพราะอันนี้เป็นเล่ห์กลของกิเลสที่พยายามจะล้มความเพียรพยายามของเราในการปฏิบัตินั่นเอง ถ้าพวกเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจแล้วรับประกันได้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะได้สัมผัสกับความสุขความสงบของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุมูธนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวัสุยัตถะมณีโชติอรัสูยัตถะสัพพิติโยวิวาจฉานตุสัพพารุโควินาศะ ตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนาสีนิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธมาวทานติอายุวันโอสุขังทารัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรจะถามเองก็ได้จะส่งข้อความเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้ผ่านทาง YouTube ทาง Facebook ก็ได้แต่เป็นช่วงนี้ช่วงเดียวที่เราจะมีการถามตอบคุยกันเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเังนั้นถ้าใครมีอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านทั้งหมดเท่าไหร่ ผู้ติดตามนะคะจาก f a c e b o o พระอาจารย์สุชาติ627ท่าน y YouTube พระสุชาติไลฟ์254ท่าน YouTube d กเตอร์วีชน127ท่านวิทยุออนไลน์12ท่าน Club h o u s ์13ท่านผู้รับฟังหน้าคุกติ123ท่านรวมทั้งหมด 1,156 ท่านค่ะ okay. มีคำถามก็ถามได้เลยค่ะคำถามจากคุณเดอะมาลไทยเวอร์ซ i ลยูนิตี้ค่ะจิตเป็นเสมือนดวงแก้วรัตนะระยับแสงแต่เป็นทุกข์เป็นโลกทั้งดวงบางครั้งก็หลงยึดถือเอามาเป็นตัวตนสำคัญบางครั้งพิจารณาวางได้ควรฝึกอย่างไรต่อไปครับฝึกสตินะฝึกสติให้จิตเข้าสมาธิให้ให้ได้ก่อน แล้วค่อยเวลาค่อยมาพิจารณาอีกทีหนึ่งก่อนอันนี้ฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ก่อนคำถามจากคุณสุรเชษข้อที่หนึ่งการปฏิบตัติการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมในบ้านซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์มพีพื้นที่น้อยควรทำอย่างไรครับก็ทำเท่าที่เราจะทำได้นะถ้าจะเดินถ้าที่มันแคบก็เดินไปแล้วก็เดินถอยหลัง อย่าเดินหันหน้าถ้าหันหันกลับแล้วมันจะเวียนศีรษะถ้าระยะสั้นก็เดินแบบไม่ต้องหันกลับเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังเอามือคอยยืดไว้ข้างหลังการไว้ไม่ให้ไปเดินระชนอะไรเวลาเดินถอยหลังก็ถ้าจำเป็นจะต้องเดินก็เดินแบบนี้ไปไม่ต้องเดินเร็วเดินช้าไปเพื่อเปลี่ยนเอริยาบุร ฉะนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการนั่งเป็นหลักถ้าอยู่ในที่ที่มันแคบถ้าอยากจะมีที่เดินมากๆก็อาจจะต้องไปอาจจะลงไปที่ข้างนอกที่สวนหรือที่ไหนที่ไม่มีคนพลุกพล่านแล้วก็ไปเดินเดินจงกรมแต่ก็ถ้าเดินที่มีคนเขาเห็นก็อย่าไปเดินในลักษณะแบบว่าเดินจงกรมเดินแบบมันก็เดินเล่นแต่ใจเราไม่เล่นทั่นเองใจเรามีสติอยู่การเดินไป พอถ้าเราไปเดินงกคมแล้วคนเข้าเห็นก็จะหาว่าบ้าหรือเปล่าก็ต้องรู้จักการละเทสะข้อที่สองการถวายข้าวพระพุธและผู้ล่วงลับไปแล้วเช่นพ่อแม่จาเป็นหรือเปล่าครับถวายแล้วมันไม่ได้อะไรนะ่ะพ่อแม่เขากินไม่ได้คนตายไปแล้วกินอาหารที่เรากินกันไม่ได้เราต้องกินบุญอย่างเดียวอยากจะให้ารของเขาก็คือบุญอุทิศเนีย เราต้องทําบุญใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญได้เนค่อยเขาก็จะได้กินอาหารบุญที่เราอุทิศไปได้แต่ข้าวที่เราวางไปไว้วางไว้ที่หน้ารูปอย่างงี้มันเขากินไม่ได้หรอกไม่เชื่อลองไปชั่งน้ําหนักดูก่อนก่อนถวายแล้วหลังจากถวายแล้วดูซิว่าน้ําหนักมันหายไปหรือเปล่าคําถามจากคุณเอกค่ะผมได้หัดทำส ม, สมาธิ เริ่มแรกผมใช้นาฬิกาตั้งเวลาไว้30นาทีบ่อยครั้งใจก็จะคอยแต่รอฟังเสียงนาฬิการู้สึกไม่นิ่งต่อมาผมเลิกใช้นาฬิกาแต่ใช้วิธีนับพุทโธหนึ่งพุทโธสถึงสองหจะได้สานาทีแต่บางครั้งความช้าเร็วของการนับไม่เท่ากันบ่อยครั้งจะพยายามนับให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้เสร็จไวๆก็ไม่นิ่งอีก ทุกคืนก่อนนอนผมลองไม่ภาวนาพุโทโธแต่นับลมหายใจเข้าออกเลยหนึ่งยห้าครั้งจะได้15นาทีแล้วก็จะนอนรู้สึกว่าวิธีสุดท้ายง่ายกว่าแต่จะไม่ได้ภาวนาพุโทโธผมควรจะทำวิธีไหนดีที่สุดครับไม่ควรทั้งไม่ควรทั้งหมดเลยไม่ควรไม่ตั้งเวลาของการปฏิบัติควรตั้งสติแทนให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ภาวนา ให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ลมก็ให้มีสติดูลมที่ปลายจมูกให้มีสติอยู่กับการภาวนาแล้วมันจะนั่งได้นานช้าอยู่ที่กำลังของสติ <holistic. S 1> ถ้าสติดีก็จะนั่งได้นานถ้าสติไม่ดีก็จะนั่งได้ช้านั้นถ้าอยากจะนั่งได้นานก็หมันจะแรงสติก่อนมานั่งให้มากขึ้นเราต้องสร้างสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่ง ไม่ใช่มาสร้างสติตอนที่เราเริ่มนั่งมันจะมันจะมีน้อยเราจะนั่งไม่ได้นานถ้าอยากจะนั่งได้นานได้ผลดีได้ความสงบต้องพยายามฝึกสติก่อนมานั่งเช่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไปเลยหรือดูร่างกายเราว่ากาลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยถ้าทำอย่างนี้ได้เวลานั่งมันมีสติดีก็จะนั่งได้นา น, นได้ผลได้ความสงบ นอย่าไปสนใจเรื่องเวลาเพราะเวลามันจะจกลายเป็นเงื่อนไขทําให้เรามาคอยกังวลกับมันเราไม่ต้องการความกังวลเราต้องการความสงบจิตสงบได้เราต้องลืมทุกอย่างไปลืมเรื่องนาฬิกาลืมเรื่องเวลาลืมเรื่องนับไปอย่าไปนับให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าเราไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบ คดีไม่ดีจะนั่งได้เป็นชั่วโมงก็ได้คำถามจากคุณวิทยานิพานไม่ใช่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดแต่คือสภาวะจิตที่เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาอุปทานใช่ไหมครับเจิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัณหาก็เป็นจิตที่เป็นนิพานคำถามจากคุณวิทยามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนเรื่องอนัตตาใช่ไหมครับ เราไม่ได้ศึกษาศาสนาอื่นเราก็ตอบไม่ได้ว่าศาสนาอื่นเขาสอนอะไรบ้างแต่ศาสนาพุทธนี้สอนเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาข้อต่อไปจากคุณวิทยาค่ะโลกิยธรรมหมายถึงอะไรและโลกุตระธรรมหมายถึงอะไรครับโลกิยะก็หมายถึงธรรมที่ยังทําให้ผู้ปฏิบัติติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เช่นการทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธินี่ถือว่าเป็นโลกิยธรรม ทำแล้วยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ติดใ น, ในชั้นสูงชั้นสงบกันชั้นที่มีความสุขแต่ถ้าเป็นโล ก, กุตละธรรมนี้เป็นธรรมที่ทําให้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยปัญญาเพื่อตัดสังโยชน์ที่ดึงจิตใจผูกสังผูกจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต้องใช้ปัญญาคือตายรักอริยสัจสี มากำหนดในการตัดสังโยชน์ทั้งสิบให้ออกไปจากใจให้ได้ถ้าสังโยชน์ขาดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรดึงใจให้กลับมาเกิดในในโลกียะอีกต่อไปก็เรียกว่าโลกุตระคืออยู่ั้นโลกของโลกียะคำถามจะกคุณจเจริญ เนื่องจา ก, กเนื่องจากภาระหน้าที่การงานในแต่ละวันทำให้เกิดความเครียดและเหนื่อยล้ามาเปิดธรรมะบนเขาย้อนหลังฟังเกือบทุกวันทำให้จิตใจสงบสุขขึ้นแต่เป็นการนอนฟังธรรมจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาป เ, เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้นอนหลับไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าอยากจะได้ความรู้ได้สมาธิก็ควรจะนั่งฟังแลวจะไม่หลับ คำถามจากคุณดีลาวดีค่ะนั่งสมาธิได้ส0สินาทีก็เกิดทุกเวทนาทำให้สมาธิไม่ดีเปลี่ยนไปเดินจงกรมทำให้ปฏิบัติต่อได้ทาแบบนี้สลับกันไปมาได้ไหมคะผิดถูกอย่างไรคะ ได้แต่ถ้าจะให้ดีเวลาเกิดทุกเวทนาก็อย่าไปขยับแล้วพยายามเจริญสติให้มากขึ้นด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถี่ขึ้นอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องความเจ็บปวดของทางร่างกายแล้วเดี๋ยวพอใจลืมไปมันก็จะอยู่กับความเจ็บปวดได้ต่อไปใจก็จะสงบลงคำถามสกุลไมตรี มีคนรู้จักจะทำบุญลงศพให้น้องสาวซึ่งป่วยอยู่แต่คนรู้จักนั้นไม่สะดวกมาจึงวานให้หนูเป็นธุระทําให้แทนซึ่งบ้านหนูอยู่ติด ก, กับมูลนิธิอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมคะไม่รู้จะเป็นอะไรนะให้เป็นอะไรนะจะได้ผลคือคนที่บริจาคเขาได้ไ ด, ได้ได้บุญเราเป็นเพียงแต่ผู้ชื่อผู้สนับสนุนเขาให้ได้บุญ เราก็ได้บุญส่วนที่เราช่วยเขาตรงนี้แต่บุญที่บริจาคเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนบริจาคเลยคำถามจากคุณอาชันค่ะเวลานั่งสมาธิตัวจะค่อยๆก้มลงไปเรื่อยๆจนหน้าผากติดพื้นทุกครั้งเลยที่นั่งแบบนี้ต้องฝืนนั่งตัวให้ตรงตลอดเวลาหรือปล่อยให้มันค่อยๆก้มโค้งลงไปแบบเดิมแต่ให้ดูจิตและสมาธิเอาคะ่ะ ก็เวลานั่งสมาธิแล้วก็ต้องไม่กังวลกับเรื่องของร่างกายที่มันงอลงไปเรื่อยๆเพราะอาจสติเรามีไม่มากเวลาจะต้องฝึกสติให้มากขึ้นคาถามสกุณหลินเราควรวางใจกับเรื่องการเมืองในประเทศอย่างไรดีคะไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของนักการเมืองเขาให้เขาไปยุ่งกันเองเราเป็นนักธรรมล้วก็จะสนใจแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมของเราไปคำถามจากคุณครูบอยถ้าเรามีความสุขอยู่กับครอบครัวกับลูกและภรรยาที่น่ารักก็เหมือนเราถือระเบิดใช่ไหมครับแล้วจะทำใจแก้ไขอย่างไรครับเราต้องเตรียมรับกับระเบิดที่มันจะเกิดขึ้นสนะักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดการพัพากจากกันม่คนนั้นตายไปแล้วก็คนนี้ตายไป นั้นต้องมีการพัดพางานเลี้ยงยี่ยมมีวันสิ้นสุด yeah. Yeah. คำถามจากคุณกระปุก <Yeah. S 3> การที่มีความเชื่อว่านิมนตพระไปทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณคนตายกลับบ้านมาจากที่เกิดเองทําแบบนั้นคนตายจะกลับบ้านได้จริงหรือคะเป็นความเชื่อความจริงคนตายไปแล้วบุญบาปจัดการพาไปแล้วไปสวรรค์ไปละบายแล้วยึขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทาไว้คาถามจากคุณกุลา ถ้าวันไหนเราไม่มีสตินั่งสมาธิเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ได้หรือไม่คะเพราะสวดมนต์ได้นานเจ้าคะ่ะได้สวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติแต่ควรจะนั่งต่อหลังจากสวดเวรได้แล้วก่อนจะเลิกก็นั่งสมาธิต่อไปคําถามจากคุณวัฒนะพงเหตุใดโลกุตระชานถึงไม่เสื่อมแต่โลกิยาฌานเสื่อมได้ครับเพราะโลกุตระไปกำจัดโมหะ ไปกําจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวคอยทําให้จิตเสื่อมจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำํำพอตัวที่ทําให้เสื่อมมันไม่ดีมันก็เลยไม่เสื่อมคำถานจาคุณวิไลมีครอบครัวยังไม่สะดวกกับการถือสิงแสถ้าเราถือสิงแสเฉพาะวันคระเราจะกอดลูกชายได้ไหมเจ้าคะเพราะมีแต่ลูกชายคะ่ะ ก็ทำไมต้องไปก่อนด้วยเว้นสักคืนนึ่นงไม่ได้สักวันยังไม่ได้มันจะตายหรือไงตอนนี้ท่านถามยังไม่มีเคำว่าเอ้าเข้ามาหน่อยเข้ามาเอ า, เอ า, เ, อาเอาไม้ไปพูดหน่อยอา้าวเข้ามาทางนี้นี้ใช่ยมวัสการค่ะพระอาจารยา์พูดเลยเอออยากถามเรื่องการถือศีลแปดนะคะ่ะออว่าถ้าออชีวิตประจําวันนะคะถ้าหนูยัง ทำงานคุยโทรศัพท์หรือว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเราสามารถถือศีลแปดได้ไหมคะความยริงศีลแปดเขาให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานมากกว่ามันหยุดทำงานเราอยากจะไปปฏิบัติเต็มรูปแบบค่อยไปถือศีลแปดจะสะดวกกว่ามันทำงานก็ถือศีลห้าไปพังๆก่อน คือรื้อสื่อสิ่ง้อไหนที่เราถือได้แล้วก็ถือไปถ้าถือไม่ได้ก็ไม่นั่งไปไปกังวลเพราะเราอยู่ในสภาพที่มันไม่พร้อมที่จะทําให้เราถือสิ่แปลกได้ค่ะก็จะรบกวนถามอาจารย์เรื่องการปฏิบัตินะคะคือก่อนหน้านี้หนูได้ลองปฏิบัติแปสติประฐานสี่ก็คือยุคหนอพ่องหนอแต่ครั้งนี้หนูมาปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนเป็นอนาปนสติก็คือกาหนดพุทโธ อยากถามพระอาจารย์ว่ามันมีความแตกต่างกันไหมคะอันเดียวกันอ่ะอันเดียวกันยุบเนอะพองเนาก็ดูลมดูลมที่ท้องลมเข้าก็ยุบอารมเข้าก็พองลมออกก็ยุบแต่ถ้าอานาปานาสติกก็ให้ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกแล้วก็ท่องพุโทโธกรรมกลับไปด้วยไม่ต้องพุโทโธก็ได้ดูลมเฉยๆอย่างเดียวก็ได้มันเป็นมันเป็นวิธีที่ที่มีการปรับแต่ง ให้เหมาะกับจริตของผู้ปฏิบัติค่ะบางคนดูลมเฉยๆไม่ได้ต้องมีพุโทโธด้วยก็พุโทโธไปด้วยค่ะบางคนดูที่ปลายจมูกไม่ได้ก็ดูที่ท้องแทนมันอันเดียวกัน นี้ถ้าเรากําหนดพุทโธที่ปลายจมูกอะค่ะบางทีมันหนูนั่งตอนที่มานั่งเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันมีเวทนามันปวดหนูก็ไม่ได้ดูลงหายใจแต่หนูก็พุทโธทีทีเอานะได้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากดูลงมาพุทโธเพราะดูลงมันจะมันไม่ไม่กระไม่กระชับเหมือนกันมันง่วงง่ายค่ะแล้วมันจะไม่มีกําลังเท่ากับการใช้พุทโธค่ะในเวลามีการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วมันจาเริ่มติดก็ใช้พุทโธแทนได้ ทีนี้ก่อนหน้านั้นหนูอ่ฝึกสติแบบสติปัฏฐานสีแล้วหนูเปลี่ยนมาฝึกแบบพุโทโธอยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์นะคะว่าหนูฝึกพุโทโธต่อไปให้คล่องดีไหมคะได้อันเดียวกันนะ่ะฝึกพุโทโธหรือฝึก ด, ดูร่างกายเคลื่อนไหวก็เหมือนกันเป้าหมายก็คือไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆค่ะ<ข>อคขอบคุณขาา้าพาจ้าคำถามต่อไปจากคุณวิพาพรค่ะ หนูเพิ่งสูญเสียแฟนเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาตอนนี้จิตใจยแย่มากพระอาจารย์เมตตาหน่อยค่ะถ้าหนูเคลียร์กิจการเสร็จหนูจะไปวดัดค่ะตอนนี้ก็พยายามควบคุมสติด้วยการเจริญพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงอดีตที่แสนหวานยิ่งคิดก็จะยิ่งเศร้าใช้อะไรมาหยิกตัวเองว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝัน เมื่อคืนนี้เรานอนหลับฝันดีเราตื่นขึ้นมาความฝันนั่นมันก็หมดไปแล้วไปคิดยังไงมันก็ไม่กลับไปนั้นพยายามยับยั้งความคิดเหล่านี้ให้ได้แล้วใจเราก็จะไม่ค่อยเศร้าไม่ค่อยทุกข์คำถามจากคุณหลินวิธีฝึกสติที่พระอาจารย์แนะนําให้ทําก่อนนั่งสมาธิทําอย่างไรได้บ้างคะเราทําทั้งวันไงตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป ทำอะไรที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธไปอาบน้ําน้าหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัววิผ้าวีผมรับประทานอาหารก็พุทโธไปเรื่อยๆคอยควบคุมไม่ให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้ไปคิดถึงเมื่อวานนี้ไม่ให้คิดถึงพรุ่งนี้ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าไม่มีคมจำจําเป็นจะต้องคิดแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดเรื่องที่เราต้องคิดอันนี้เพื่อเป็นการเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆในชีวิตประจํำวันของเรา เพื่อใจเราจะได้ไม่ลอยไม่ฟุง้งเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายเ แ, แล้วนะโอเคแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ <t> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ